สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ในพระธรม ร, ะธรมสุภาษิตพระธรรมสุภาษิตในวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่26ครับพระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อ13จนถึงข้อที่16โปรดฟังพรว จ, จนะของพระเจ้าคนเกียรติค้านพูดว่ามีราชสีอยู่ที่ถนนมีสิงอยู่ที่ลานเมือง ประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉันใดคนเกียรติ้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของเขาคนเกียรติ้านฝังมือของเขาไว้ในชามเขาเหน็ดเหนื่อยที่จะนำมือกลับมาที่ปากของตนคนเกียรติค้านเห็นว่าตัวเองฉลาดกว่าคนเจ็ดคนที่ตอบได้อย่างหลักแหลมพี่น้องครับในวันนี้เรากลับมาอยู่ในพระธรรมสุภาษิตครับ สัพระธรรมสุภาษิตบทที่26นั้นก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนโง่คนที่เกียรตินะครับคนที่ชอบซุบซิบนินทาคนหน้าซื่อใจคดคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นแน่นอนครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์และที่กระทำต่อกันและกันและแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ จะต้องรับการพิพากษาพี่น้องครับคนเกียรติค้านเป็นยังไงครับคนเกียรติค้านถือว่าเป็นคนโง่ประเภทพิเศษครับในพรจนะของพระเจ้าบทที่2ี่ของสุภาษิตได้พูดถึงเรื่องของคนโง่หลายประเภทครับยกตัวอย่างเช่นคนโง่ที่สรุปไว้ในข้อที่หนึ่งข้อที่3ถึงข้อที่12คนโง่เหล่านี้เขารู้ว่าเป็นคนโง่ครับ เขาบอกว่าคนโง่นี้ก็ยังดีกว่าคนที่ฉลาดในสายตาของตัวเองคนที่ฉลาดในสายตาของตัวเองเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นคนหลงผิดครับเป็นคนโง่ประเภทหลงผิดก็คือว่าเขาเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งจนเกินไปจนกระทั่งเขาทะนงตนทำให้เขาตาบอดไม่สามารถรับรู้ถึงความต้องการหรือนิดของตัวเองที่จะต้องรับการแก้ไข พี่น้องครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์สูงเท่าไหร่ก็ตามเราจะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ตามนะครับขอให้เราที่จะถ่อมใจขอใหเราอย่าเย่อหยิ่งครับขอใหเราอย่าทะนงตัวว่าเราฉลาดเพราะคนที่ฉลาดในสายตาของตัวเองก็เป็นคนโง่เข่าครับแม้ว่าคนโง่นั้นโดยปกติแล้วเขาก็โง่ครับแต่ถ้าคนโง่ที่มีความรู้สึกถ่อมใจ คนโง่ที่มีความรู้สึกว่าตัวเองต้องการรับการแก้ไขให้ถูกต้องคนโง่เหล่านี้ยังมีความหวังกว่ายังดีกว่าคนที่ทนงตัวคนที่รู้รู้ว่าตัวเองฉลาดหรือรู้สึกว่าตัวเองฉลาดพี่น้องครับในข้อที่13ถึงข้อที่สิบหกนั้นที่เป็นเนื้อหาสาระในวันนี้ก็พูดถึงคุณสมบัติของคนโง่ครับหรืออาการของคนโง่ประเภทพิเศษที่เรียกว่าเป็นคนเกียจคันนะครับ เขาไม่อยากออกจากบ้านเขาก็อ้างว่ามีสิงโตอยู่ที่ลานเมืองนะครับออกจากบ้านแล้วมันอันตรายนะครับมีราชาสีห์อยู่ที่ถนนพี่น้องครับนี่แหละครับคือลักษณะของค น, คน เ, เกียรติคารนครับคนโง่ประเภทพิเศษเรียกว่าคนเกียรติคารนี่เองคนโง่มักจะอ้างโน่นอ้างนี่นะครับคนโง่มักจะยกเหตุผลร้อยแปประการว่ากลัวบ้าง นะครับหรืออาจจะเกิดอันตรายบ้างเขาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับความจริงแล้วไม่มีเรื่องยุ่งยากหรอกครับหรือไม่มีเหตุผลที่แท้จริงที่จะไม่ออกไปไม่มีเหตุผลที่แท้จริงที่จะล่าช้าไม่มีเหตุผลที่แท้จริงที่จะผลัดวันประกันพรุ่งเขาอาจจะจินตนาการนะครับ <m> หรือนึกไปเองว่ามีอันตราย <ul ost rum> เพื่อที่ว่าเขาจะได้บอกกับคนอื่นเพื่อที่ว่าเขาจะให้เหตุผลกับตัวเองว่าเขาอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ออกไปไม่ออกไปเพื่อที่จะทำงานไม่ออกไปเพื่อที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาสัญญาไว้พี่น้องครับความกลัวที่ไรเหตุผลหรือความกลัวที่มนโนเอาเองความกลัวที่เป็นข้ออ้างหรืออะไรบางอย่างซึ่งเป็นข้ออ้างนั้นก็ไม่สามารถทำให้เขาหลุดออกจากความเกียจคั้น คนที่กำลังหาข้อแก้ตัวว่าเขาจะต้องอยู่เฉยๆเขาจะไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้นี่แหละครับคือคนโง่ประเภทพิเศษที่เรียกว่าคนเกียจคานในข้อที่14ครับแทนที่จะออกจากเตียงลุกจากเตียงไปทํางานคนเกียดค้านนั้นก็ใช้พลังงานของเขาอย่างไร้ประโยชน์ครับคื อ, คอหันไปหันมาพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงนอนของเขาการพลิกไปพลิกมานั้นก็มีลักษณะคล้ายกับบานพับครับ มานาพับพี่ติดอยู่ที่ประตูนะครับเขาจะไม่ยอมออกแรงที่จะลุกขึ้นมาจากเตียงนอนของตัวเองเขาถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาบนเตียงนั้นคือนอนกลิ่งเกลือกนอนหันไปหันมาพับไปพับมาไม่ได้ไปที่ไหนแล้วครับงานก า, การก็ไม่ทําพี่น้องครับเขาต้องการพักมากกว่าทํางานเขาต้องการการพักมากเกินความจําเป็นพระกัมภีร์ข้อนี้ บางคนอธิบายว่าเป็นการบรรยายสร้างภาพที่เกินจริงไปบ้างแต่พี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระกัมพีพยายามที่จะสื่อความหมายครับว่าคนที่เกียดค้านมากๆนะครับคนที่เกียดค้านแบบมหาสาลนี่เขาจะไม่แม้กระทั่งทํางานที่จําเป็นในการที่จะดํารงชีวิตไม่แม้กระทั่ง เขาจะรับผิดชอบในการที่จะเคลื่อนอาหารจากชามของเขาไปที่ปากครับพี่น้องครับมาถึงตรงนี้พี่น้องคงจําได้นะครับว่าท่านอัครทูตเปาโลดได้กล่าวไว้ใน2องเทโซนิกาบทที่ 3: ามข้อสิครับสองเทโซนิกาบทที่ 3: ามข้อสิท่านได้กล่าวว่าถ้าคริสเตียนคนไหนปฏิเสธที่จะทํางานเขาไม่ควรจะได้กินเขาไม่ควรจะได้กิน พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระกัมพีใหม่ก็เตือนสติสอนเราเหมือนกันครับอย่าเกรติค้านคนที่เกรติข้านนั้นไร้อนาคตวันนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่16ข้อที่16นั้นกล่าวว่าคนเกียรติค้านเห็นว่าตัวเองฉลาดกว่าคน7คนที่ตอบได้อย่างหลักแหลมพี่น้องครับนี่คือลักษณะประการที่4ครับลักษณะประการที่4ที่บรรยายถึง คุณสมบัติของคนเกียจค้านหรืออาการของคนเกียจค้านนะครับอาการของคนเกียจค้านนั้นเขาคิดไปเองว่าความเกียจค้านของเขานั้นมีเหตุมีผลครับมีความทนงตัวในความเกียจค้านของตนเองและเขามักจะคิดว่าเขานั้นทํางานน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาฉลาดครับเขาฉลาดกว่าคนอื่นๆอีกเจคนพี่น้องครับคําว่าเจคนนั้นคํา ตัวเลข7นั้นแปลว่าความสมบูรณ์เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของผู้ให้คําปรึกษาที่ฉลาดครับพูดง่ายง่าว่าคนเกียรติค้าเนี่ยเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าเอดวิเซอร์อีก7คนหรือเขาเซลเลอร์อีก7คนหรือผู้ให้คําปรึกษาหารือผู้ที่แนะนําผู้ที่มีสติปัญญาอีก7คนพี่น้องครับหมายความว่าเขาทะนงตัวแน่ใจแน่ใจแม้ว่าแม้กระทั่งคนที่ฉลาดอีก7คนนั้นเขาฉลาดกว่าครับ พี่น้องครับคนเหล่านี้ครับไม่มีหวังในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาครับทำยังไงก็ไม่สําเร็จหรอกครับพี่น้องครับความเกียดแค้นของเขานั้นได้นำไปสู่การไรเหตุผลไร้สาระเป็นอย่างยิ่งคนเกียด้นนั้นเขาเนึกว่าตัวเองฉลาดเขาเนึกว่าตัวเองสามารถอ้างหรือแก้ตัวหรือประดิษฐ์ประดอยเหตุผลหาข้อโต้แย้งที่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ ในความคิดของเขาแล้วก็เป็นข้อโต้แยง้งเป็นข้อแก้ตัวเป็นการอ้างที่อ้างได้หมดครับอ้างได้ในปริมาณที่ไม่จํากัดด้วยครับที่จะแก้ตัวเกี่ยวกับอุปนิสัยที่เลว3ก็คือความเกียจค้านของตัวเองนี่คือความสอิดสะเอียนครับนี่คือความรู้สึกที่ว่าเราอย่าไปใกล้ชิดกับคนเกียจค้านพี่น้องคให้เราอธิษฐานเผื่อคนเกียจค้านแรงอธิษฐานเผื่อตัวเองที่เราจะไม่เกียจค้านครับ ที่เราจะไม่ท่านงตัวที่เราจะไม่เป็นพวกที่ชอบอ้างหาข้ออ้างหาข้อแก้ตัวหาข้อโต้แยง้งเพื่อให้ตัวเองชอบทำโดยที่ไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นคนขยันขันแข็งอาเมน